เรื่องพระเจ้าพิพิษารจอมทัพมคุรัฐ ส, สมัยนั้นพระเจ้าพิพิษารจอมทัพมค ร, รัฐเสด็จหลีกร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความคิดคำนึงขึ้นในพระทัยอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้พวกปฏิพาชกอัญญาเดรถีประชุมกันกล่าวธรรมในวัน14ค่ำสิหค่ำและ8ดค่ำแห่งปักมนุษย์ทั้งหลายพากันเข้าไปหาเพื่อฟังธรรมคนเหล่านั้นได้ ความรักความเลื่อมใสในพวกปริภาชกอัญญะเดรธีพวกปริภาชกอัญญะเดรธีก็ได้พักพวกฉนัยหนอแม้พระคุณเจ้าทั้งหลายจะพึงประชุมกันในวัน14ค่ำสิบหาค่ำและแปดค่าแห่งปากบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควร พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัตผู้ประทับนั่งหน้าที่สมควรได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันลีกร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำานึงขึ้นในใจอย่างนี้ว่า เ, เดี๋ยวนี้พวกปริพาชกอัญญะเดรถีประชุมกันกล่าวธรรมในวันส4ค่ำสิาค่ำและแดค่าแห่งปักประชาชนพากันเข้าไปหาเพื่อฟังธรรม ประชาชนเหล่านั้นได้ความรักความเลื่อมใสในพวกปริภาชกอัญญะเดรธีพวกปริภาชกัญญะเดรธีก็ได้พักพวกฉะ น, นั้นเพระคุณเจ้าทั้งหลายจะพึงประชุมกันในวันสิบสีค่ำสิบห้าค่ำและ8ดค่ำแห่งปากบ้างม่อมฉันขอประธานพระวโรกาดขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายพึงประชุมกันในวัน14ค่ำหค่ำและ8ดค่ำแห่งปากด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่ะ